ผุทธ่วสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่กรบค่ะสนสนีสนธนามาแล้วนะคะกับรายการที่ออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุครอบรครัวข่าว FM106 ค, ค่ะตั้งชื่อว่าสนธนาแต่ไม่ได้สนธนาในเรื่องอะไรนอกเหนือไปจากเรื่องของธรรมะนะคะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็มีคำสอนสืบทอดเสมือนเป็นตัวแทนของพระาศาสดามาถึงทุกวันนี้ให้กับพวกเราชาวพุทธซึ่งบางครั้งเนี่ย เป็นชาวพุทธก็คิดว่าเพียงพอแล้วที่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธส่วนคําสอนนั้นอาจจะไม่ได้มีความรู้กันมากนะักทั้งๆ ท, ง ท, งที่หากได้รู้แล้วท่านจะได้ทราบเลยนะคะว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสสอนนั้นยิ่งสกว่าการศึกษาใดๆค่ะเราก็ไปกราบน้อส ก, การพระเพูบุญอภิปุณโณ น, น, นะคะจากวัดป่าดอนหายโซอุดรธานีซึ่งท่านกําลังให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องกรรม อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันจันเรื่อยมาวันนี้ท่านก็จะมีเรื่องของกรรมที่จะมาบอกพวกเราอีกเช่นเคยนะคะกลา่าวมงส ก, การกันท่คะเชิบานค่ะก็ว่าไปเยอะแล้วยังเหลือที่จะพูดอีกหรอคะเรื่องกรรมอะค่ะมีมีมีตรงตรงนี้ธรรมะอ่านตอนแรกในพระสูตรเนี่ยก็ง ง, งนะเฮ้ะทําไมพระเจ้าพูดมันเหมือนเหมือนกันฟังเหมือนเหมือนกันแต่ว่ามันไ ม, ไม่มันต่างกันมากทีเดียวแล้วผู้บอกว่าความเชื่อที่ว่า บุคคลทำกรรมอย่างใดๆ ไ, ไว้ก็จะได้กรรมอย่างนั้นๆอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดฟังอีกครั้งหนึ่งนะบุคคลทำอะไรไว้จะได้อย่างนั้นอันนี้ผิดนะผิดแต่ที่ถูกคืออะไรบุคคลทำอะไรไว้จะได้ผลของกรรมนั้นอันนี้ถูกมันต่างกันตรงไหนมันต่างคำว่าผลเท่านั้นเอง ค, คือถ้าสมมุติเราคิดว่าเราตบยุงแล้วต่อไปฉันจะต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาตบเราแทงเขา ต่อไปฉันจะต้องเกิดเป็นแล้วให้เขาถูกแทงอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดแตนะ่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วการประพฤติพรหมจรรย์จะมีไม่ได้การทําที่สุดแห่งทุกข์จะไม่ปรากฏนะคือมันจะไม่ใช่อย่างนั้นสมมุติคุณฆ่าคนคุณก็ต้องไปเกิดเป็นคนให้เขาฆ่า ค, คุณเอาไม้ของคุณก็ต้องมีของแล้วเขถูกขโมยอันนี้ไม่ใช่อย่าง น, นะนั้นแต่เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องการประพฤติพรหมจรรย์จะมีไม่ได้การทําที่สุดแห่งทุกข์จะไม่ปรากฏแต่ที่ถูกคืออะไรที่ถูกคืออะไร ที่ถูกคือทํากรรมอย่างใดไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นซึ่งผลตรงนี้แหละผลตรงนี้แหละที่มันให้ไม่เหมือนกันอาจมาจึงต้องเน้นว่าเกลือนะกับความเค็มของเกลือนะมันไม่ใช่อันเดียวกันนะค่ะคือไม่ใช่ว่าคุณทําเกลือคุณต้องได้เกลือคือคุณทาเกลือคุณต้องได้ความเมค็มเข้าใจไหมคือมันเป็นผลซึ่งมันไม่เท่ากันเช่นอะไรบ้างเช่นถ้าคุณฆ่าสัตว์ผลของการฆ่าสัตว์เนี่ย มันจะได้เป็นความที่เป็นอายุสั้นอย่น uh ี huh. ้อ่ามันจะอายุสั้นแต่ถ้าเผื่อมันให้ผลหนักต่อไป mm hmm. คุณไปตกตลกนู่นผลมันหนักหนักอยู่นู่น <Okay. S 1> ผลอย่าง <Okay. S 1> าาประบาณในปัจจุบันคืออายุสั้นไม่ใช่ว่าคุณต้องไปเปิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่ า, าอันนี้เราต้องเข้าใจ <Okay. S 1> หรือการพูดยุยงให้แตกกันผลที่จะเกิดขึ้นก็คือจะทําให้แตกจากมิตรนันคือไม่ใช่ว่าคุณก็จะถูกเขาพูดยุยง มันก็จะผลก็คือจะทําให้เราแตกจากมิตรไว้อย่างนั้นเถิดค่ะเพราะฉะนั้นความาลึกองไปมันก็จะมีอีกชั้นหนึ่งคือพระเจ้าใช้คําว่าผลนะซึ่งภาษาบาลีในที่นี้ก็คือใช้คําว่าวิบากนะวิบากซึ่งมันจะไม่เหมือนกับตัวของมันเองเป๊ะๆหรอกนะบางที่เราทําความดีเช่นให้ทานอย่างเงี้ยให้ทานในเนื้อละบุญให้ทานในเนื้อละบุญผลที่จะเกิดขึ้น นูไปบนสุขติโลกสวรรค์มเป็นผลที่ดีมากผลที่จะเกิดในปัจจุบันนะก็จะเป็นผู้ที่มีโภคทรัพย์มากนะโภคทรัพย์ที่มาในที่นี้อาจจะไม่ได้เกิดกับตัวเองนะอาจจะเกิดกับคนที่เรารักอนะนี้เห็นได้อย่างชัดเจนมากๆเลยคุณโยมติวอย่างเช่นว่าพ่อแม่อย่างเงี้ยเออก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรแต่ตัวเองใส่บาตร ท, ทาบุญนะมีมีครูบาอาจารย์ที่ดีเราก็ไปสร้างทานทําอะไรต่างๆ ผลเนี่ยไม่ได้ออกที่ตัวเองนะตัวเองก็ยังเป็นข้าราชการธรรมดานะเงินเดือนก็ไม่กี่หมื่นไปแต่ว่าผลไปออกที่ลูกอย่างนี้เป็นต้นนะลูกนี่โอ้โหเป็นเงินเดือนหลายแสนร่ํนะารวยเรียนจบมีเงินเดือนเออก็เพราะว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผลมันออกไปในสิ่งที่เรารักนะเรารักชอบสิ่งไหนนะก็จะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นจากสิ่งนั้น อ, อันนี้ดีเกิดขึ้นได้ทั้งเสียก็ตรงกันข้ามก็มีเหมือนกัน แตบางทีข้อเสียไม่ได้เกิดกับตัวเองแต่ไปเกิดกับสิ่งที่เรารักมากอย่เียอันนี้แสดงว่ามันก็เป็นผลของคุณนั่นแหละนะก็ก็เป็นไปได้นะผลกับตัวมันเองนะคนละอันกันนะมีความแตกต่างกันมี variation อยู่บ้างตรงนี้ค่ะอือค่ะอันนี้ท่านท่านพูดมาเนี่ยอาจจะทําให้หลายคนนะครับมีกําลังใจที่จะทําในสิ่งที่ดีอืแต่ว่าจริงๆแล้วท่า น, นเข้าใจว่า คนที่ทาบุญทำทานทำความดีแล้วได้ผลเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยได้คิดถึงตรงผลนะคะก็คิดถึงตรงได้ทำได้ทำนี่ก็ดีแล้วนะเข้าใจค่ะคือคือที่ฉันกำลังจะบอกว่าคนถ้าทำหวังผลอ่ะอ่ะอใช่มันอาจจะไม่มีความสุขในการทำเพราะว่ารอคอยผลหรือเปล่าอ่ามันมันมีอยู่สองประเด็นตรงนี้ว่าคือทำแล้วหวังผลมันก็ ก็ธรรมดาใช่ไหมอันนี้เกิดขึ้นได้แต่ไอ้ความหวังที่เจือด้วยความอยากเนี่ยมันทําให้ผลของเราเนี่ยมันแปดเปื้อนนะก็ เ, เรียกว่าไม่บริสุทธิ์ก็เรียกว่ามีความเศร้าหมองนะก็คือทานผลที่ได้มันก็จะเศร้าหมองตามเจตนาที่คุณใส่ลงไปนะซึ่งถ้าจะดีกว่าก็คือว่าคุณไม่ต้องหวังผลทําไมอะ่ะเพราะว่ามันจะได้มีความบริสุทธิ์มากกว่าในการกระทําของเราทําโดยไม่หวังผลไง พระพุทธรกตัสไว้อย่างไรนะคะตรงเนี้ยค่ะมีพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าคุณทําเพราะว่าหวังเรื่องของการมาคุณผลที่จะได้ก็จะระดับหนึ่งก็คือถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นเทวดาขั้นที่หนึ่งะจะตูมาราชิกาถ้าคุณทําเพราะว่าไม่ได้หวังผลเป็นความสุขอะไรลักษณะนั้นแต่ทําเพราะว่าพ่อแม่สอนมาให้ทําเออเหมือนเป็นเรื่องดีฮะเราก็ทําไปทําเสร็จปุ๊บผลก็จะได้สูงขึ้นมา อันนี้คือเปรียบเทียบให้ถึงว่าการให้ทานนะนี่คือพูดถึงการให้ทานน ะ, ชะเช่นการให้ทานในสมณะอย่างเงี้ยคุณปลารบเหตุอะไรถ้าคุณปลารบเหตุเพื่อหวังตัวเองมีความสุขอันนี้ผลน้อยที่สุดนะได้ผลน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ ค, คือดีแต่ว่ามั น, ม, นมีความเศร้าหมองอยูนะอ่ถ้าบอกว่าปลารบเหตุที่ดีขึ้นมาอีกนะก็ทําให้ผลได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เนะช่นปลารบเหตุที่ว่าพ่อแม่ทํามาฉันก็ทม ป้ารับเหตุที่ว่าไอ้นี่เรื่องนี้เป็นสิ่งดีฉันเลยทําแล้วก็จะได้ผลที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, นจนกระทั่งดีที่สุดก็คือว่าทําไปเลยโดยที่ไม่ได้หวังอะไรอันนี้คือดีที่สุดได้ผลดีที่สุดก็ถึงระดับเทวดาที่สูงขึ้นสูงขึ้นเปรียบเทียบให้ดูในลักษณะนี้อ๋อ ค, ค่ะคือได้ผลเั่านั้นแหละแต่ว่าได้ไม่เท่ากันได้มากได้น้อยใช่ใช่ค่ะทำให้มาถึงประเด็นที่ว่าถ้าผมว่าเรารู้ว่าไอ้เจ้าการกระทํากับผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ย มันมี variation มีลักษณะที่เหลื่อมกันบ้างทําให้มีการประพฤติพรหมจรรย์มีได้ทําให้มีการทําที่สุดแห่งทุกปรากฏขึ้นได้นะทำให้เราจะเห็นว่าเอ๊ะมันมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปไปได้ทั้งนั้นพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับคนที่มืดมาคนที่สว่างมาก่อนที่เราพูดถึงวันก่อนว่าอาจจะเกิดมาในสกุลดีนะมีอันจะกินมีรูปร่างสวยมีการศึกษาดีแต่ถ้าเบอกว่าเขามืดไป ก็เดินเหมือนกับคนที่มาจากที่สว่างสว่างที่สูงๆมาลงมาจากปราสาทหรือว่ามาจากคอช้างแล้วก็เข้ามุมมืดไปเข้ามุมมืดนี่คือคุณทําไม่ดีอันนี้แสดงว่าคุณประมาทนะทำความไม่ดีทําความชั่วทําความบาปทําความผิดนะก็จะไปไม่ดีแต่ถ้าคุณ น, นี่ลงจากปราสาทลงจากคอช้างมาเกิดในที่ดีๆละอย่างคนที่มีอันจะกินเป็นต้นแล้วก็เดินขึ้นสู่ปราสาทอีกหลังหนึ่งเดินขึ้นสู่คอช้างอีกตัวหนึ่งเดินขึ้นสู่หลังม้าอีกตัวหนึ่ง ก็คือเราสว่างมาสว่างไปนะทําดีแล้วก็ไปได้ดีขึ้นอีกอย่างนี้มีนะ <Okay. S 1> เช่นเดียวกันกับคนที่ออกมาจากมุมมืดนะเราพ้นมาจากนรกกาเนิดเดรัฉานเปรตวิสัยละเอาชาตินี้เราอาจจะมีความทุกข์บ้างมีอันจะกิน น, น้อยน้อยผิวพรรณไม่ดีแต่ว่าเราขึ้นสู่คอสร้างซะเราขึ้นสู่ประสาทซะเราขึ้นสู่หลังมาซะก็คือทําความดีนั่นเองนะ <Okay. S 1> เราทําความดีคือมนุษย์เนี่ยมันเป็นภพที่มันทําได้มันยังมีทางเลือกอยู่บ้าง นะซึ่งถ้าแต่ถ้าเราเลือกที่จะเข้ามุมมืดอีกแมมันก็พูดยากซึ่งมันเราไม่ควรทําอย่างนั้นเราควรจะขึ้นสู่ประสาทจะดีกว่านะทำให้ไปสู่ตรงที่ว่าเฮ้ยเราเลือกได้นะเราเลือกพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเราเลือกพอที่ผลอะไรที่เราจะทําสร้างความอผลที่มันเป็นความสุขความเจริญให้เราได้แตนะ่ซึ่งมันจะเป็นผลที่ดีมากทีเดียวค่ะแล้วก็มืดมาสว่างไปในพระพุทธรัตต์ไว้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะดังนั้นจึง เป็นต้องบอกว่าถ้าศรัท ธ, ธาพระศาสดาแล้วเนี่ยสิ่งที่พระพุธองตราดไว้นั่นแหละคือความศักดิ์สิทธิ์แม่นยำจริงๆที่ว่าจะมือดอย่างไรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้ถูกก็สว่างได้สว่างไปเมื่อมาสว่างไปเหมือนกับคนขึ้นหลังช้างหลังม้าหรือว่าขึ้นสู่ประสาทค่ะนะคนี่ก็เป็นการสนทนาธรรมในเรื่องของกรรม ว่าเราจะแก้ไขกรรมที่ไม่ดีของเราได้อย่างไรแล้วก็เลื่อนมาถึงตอนนี้ท่านพิบุญก็นึกถึงพุทธพจน์ของพระาศาสดาในเรื่องของมืดมาสว่างไปแล้วก็ให้เรามาถามตัวเราเองนะคะว่าเราเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าเป็นประเภทสว่างสว่างนี่ต้องเกิดในครอบครัวที่ดีใช่ไหมคะเเป็นเทวดามาเก่าใช่ใชซึ่งอันนี้เราเราดูได้นะว่าอ๋อสช่ น, นี้มีมีบุญมาเกิดนะพูดงั้นเถอะ แล้วก wow. okay. okay. so, so ็ในในขณะเดียวกันนะคือหมายความว่าเราก็เห็นคนที่มีบุญมาเกิดเนี่ยแต่ทําตัวแย่นะคือพวกเข้าสู่มุมมืดเราก็เห็นอยู่ในทางตรงข้ามเราก็เห็นคนที่แบบไม่ค่อยมีอันจะกินแต่ว่าฝ่าฟันตัวเองทําความดีขึ้นมาก็เป็นคนที่ขึ้นสู่หลังช้างหลังมาขึ้นสู่ประสาได้ก็มีค่ะแล้วก็ไหนไหนท่านพูดว่าต้องทําตามอริยมรรมาองค์แปดที่จะสิ้นกรรมใช่ไหมคะใช่ใช่ ท่านช่วยกรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรียรมากมีองค์8ทิ้งท้ายไว้หน่อยดีไหมคะจะได้สมบูรณ์มักเนี่ยคือหมายถึงเส้นทางาซึ่งเส้นทางเนี่ยต้องมีองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้จึงจะเรียกว่าเส้นทางที่ประเสริฐนองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นคืออะไรนะก็คือเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมกนะ็คือสัมมารกรรมันตะ์เราก็ถัดมาคือสัมมาวาจาคือการที่ไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อ แล้วก็เรื่องของสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบทำอาชีพที่มันไม่ต้องโกหกไม่ต้องหลอกลวงไม่ต้องใช้ทรัพย์มีค่าน้อยต่อของมีค่ามากลักษณะนั้น น, นี้คือเรื่องของศีลถ้าบุญ ง, ง่ายๆนะคือเรื่องของศีลแต่า ม, มากคือเรื่องของจิตจิตเราก็ต้องฝึกจิตเราก็ต้องทําให้ดีนโดยการที่เอาอากุศลออกจากจิตเอากุศลเข้าไปในจิตการทําอย่างนี้คือสัมมาวายมะเราทําจิตก็เราให้มีสมาธิมากขึ้นมีสติมากขึ้น นั่นคือคือสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธินี่คือเรื่องของบทของจิตเรื่องของสมาธิในส่วนที่2ค่ะแล้วส่วนที่3นะก็คือเรื่องของความเห็นที่ถูกต้องในเรื่องของปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดดับนะปล่อยว่างได้บ้างอย่าไปยึดถือมากนะทำตามเหตุอันนี้ก็เรื่องของปัญญานี่คือหบดที่3 3อย่างนี้ไม่ใช่ว่าให้ทําอันหนึ่งแล้วก็ไปทําอันสองแล้วก็ไปทําอันสามนะไม่ใช่นะแต่คือให้ทํา3อย่างไปด้วยด้วยกัน นะให้มันผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแต่เวลาอาตจมาอธิบายมันก็ต้องไปทีละขั้นแต่ละตอนใช่ไหมแต่สามอย่างเนี้ยให้ทําด้วยกันนะทำไปจนกระทั่งมันเป็นทางสายเดียวนะเช่นถนน ท, นที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีคอนกรีตอย่างเดียวมันต้องมีทางระบายน้ําด้วยต้องมีป้ายด้วยนะต้องมีเส้นจราจรด้วยนะมันถึงจะเป็นทางที่ดีได้นะรวมกันหมดนะถึงจะดีก็ทําไปพร้อมพร้อมกันใช่ใก่ไหมค ะ, ะอาจารย์พนะคะนี่ก็ ค่ะได้กันครบถ้วนกระบวนความแล้วนะคะยิ่งถ้าหากฟังทุกวันทุกวันนะตั้งแต่วันจันทร์แล้วคิดว่าจะได้ความกระจ่างในเรื่องของกรรมแล้วก็ได้ความรู้ที่แตกต่างจากที่เราเคยรู้มาบางอย่างนี่ต่างชนิดฟ้ากับเฮลเลยนะคะคือต้องไปเปลี่ยนความคิดกันใหม่ค่ะท่านฟังที่ครบค่ะก็เป็นรายการสัสนิยสนทนาที่ท่านพิบูรณ์ได้ มาให้ความรู้กับพวกเราทุกวันเลยนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ก็ต้องกราดนมัส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะเฮียปนนมัส ก, การค่ะท่านฟังคะกรรมคือการกระทําของเรานี่แหละพระพุทธองค์ได้พูดเป็นกลางกลางเพราะว่าจะหมายรวมถึงทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมไม่ดีแล้วก็กรรมนั้นต้องเชื่อกันนะคะว่าให้ผลอย่างแน่นอนขอเพียงแต่อย่าเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้น เป็นเรื่องของของเก่าแล้วก็แก้ไขกันไม่ได้คือเป็นกรรมเก่าก็เลยจะไม่สร้าง ส, สร้างสมความดีกันใหม่ๆส่วนคนที่ก็ยังพอเชื่อว่าเรื่องของกรรมนั้นไม่ได้อยู่กับที่แก้ไขได้จะไปหาคนที่คอยชี้ว่ากรรมเดิมเราเป็นอย่างไรท่านพิบูลนก็บอกแล้วว่ามีคนบอกได้แต่ก็ไม่แม่นยาเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นสู้หาวิธีที่พระศาสดาบอกไว้แล้วดีกว่าว่า ต่อให้เรามืดมาเราก็จะสว่างไปได้ถ้าเรารู้วิธีที่ถูกต้องนั่นก็คือเดินทางตามทางที่พระศาสด า, าได้ตรัสไว้อริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองมาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งก็เพื่อที่หวังจะให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไปสู่การปฏิบัตินะคะสำหรับสัปดาห์นี้รายการสัสนสีสนทนาก็จะหยุดพักเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะมาพบกับท่านใหม่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้คะ่ะเราเชื่อมั่นว่าท่านทั้งหลายนั้น คือคนที่สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตของท่านเองได้ภายใต้การนำของคำสอนของพระาศาสดานะคะวันนี้เราลากัดไปแต่เพียงเท่านี้ติดตามรับฟังกันในวันจันทร์หน้าพุทธ ว, วัสดีค่ะ